ขอวาพายนะเป็นแมงอยู่ในขี้ควายเนี่ยนะยังเสร็จเลยอ่ะเป็นมแมลงในใ น, ในขี้ควายยังเสร็จเลยไอ้รีสอร์ทผมมันมีเขาสูงๆนะมันมีไก่ป่าเยอะนะเพราะว่ามีไรพานคนนึงอะ่ะแกไปเอามาจนได้นะไม่น่าเชื่อนะขอให้ได้ยินมันขันตรงไหนเถอะราอขันอยู่ตรงเนี้ยแกไปเอามาจนได้นะ ไปลอ่อไปหลอกมันไปอะไรมาเอาไก่ไปล่อแล้วแล้วก็ยิงมันมายิงเอามากินจนได้เก่งจริงๆนะเจนมันทั้งไวมันทั้งโอ้โหไก่ป่านี่มันไวมากนะครับมันบินเก่งมันนี้เก่งไรนี่นะครับแต่ว่าโอ้โหนายพรานไดเอามาได้มีมีเพื่อนคนเสียงไม่ดังมีเพื่อนคนที่ก็อยู่แถบปากน้ำนะฮะแล้วก็เขาก็ แล้วเข า, เขาเลาฟัง่าเพื่อนผมคนหนึ่งอะ่ะพอเห็นงูนะฮะงูจงอางเนี่ยแทนที่จะกลัวหรืออะไรีอย่างบอกทำไงเดียจะหาทางจับมันไปขายจับมันไปขายหาวิธีจับเอาเอาผลประโยชน์จากงูโอ้ทางเชียงใหม่นี่<อ>ชาว บ, บ้านเจองูสิงไม่ได้นะโอ้โหโดดโทษาทรายเลยมืมพักเดียวจับได้งูสิงอะ่ <c oughs> เะเขาว่าอร่อยนะ งูสิงะชาวบ้านชอบกินสีดำๆนะใครเคยทานไหมครับงูสิงะก็เขาว่า อ, อร่อยมากครับชาวบ้าน เ, เห็น<ๆ>นี่โดดสายเลยมเด็กๆเนี่ยทานประจำาับนะไม่กล้าทานกันสุนัขอย่างเดียวนั้นเพราะเราเราเห็นเลยว่านะว่า ถ้าไปเกิดในอบายเลยนะเป็นชีวิตที่ตื่นภัยอยู่ตลอดเลยนะ mm hmm. ถ้าไปเป็นสัตว์ในอบายเนี่นะไม่มีสัตว์ในอบายตัวใดที่จะมีความสุขเลยนะถ้าเป็นมแมลงเนี่ยนะไปเกิดที่สวนพุกานเขายังชั่วยหน่อย mm hmm. เกิดสวนอื่นนี่แย่แนะ่ฉีดยาหมดละ mm hmm. เป็นมดเนี่ยนะเป็นมดเนี่ยที่จริงที่ที่น้องปิงเนี่ยนะอะมดเยอะมาก พิมดมันเยอะเพราะข้างๆเขาฉีดยาฆ่าหญ้าเต็มไปหมดเลย ม, มันก็อพยพมาอยู่ในวัดอ่ะอันรอบๆ อ, อันนาบริเวณเนี่ยนะมันเพราะนั้นก็บอกว่ายาพิษเนี่ยมันลงไปในดินเนี่ยประมาณสามสิบเมตรนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคิดดูว่าในดินเนี่ยนะพวกเป็นแมลงพวกไส้เดือนในดินเนี่ยตายเกลี้ยงหมดะนะเมื่อยาฆ่าหญ้าลงไปขนาดไปเป็นไส้เดือนนี่ก็ยังยังเส็จเลยเป็นหอยทากหอยอะไรก็ช่างเหอะมีสิบตายหมด มันเป็นชีวิตในในสังสารวัตเนี่ยน่ากลัวจริงๆแล้วนี่เฉพาะที่เราเห็นนะแล้วโลกของเปรตอะ่ะบางบางเปรตบางท่านเนี่ยนะบางตัวเนี่ยไม่ได้กินอาหารมาหนึ่งพุทธันดร น, นะไม่เคยรู้เลยว่าอาหารนี่มันเป็นยังไงเพราะว่าในท้องเนี่ยเป็นไฟไหม้ตลอดละเคยเคยเห็นไฟไหม้โพรงไมน้นั่นแหละเขาบอกว่าเปรตเนี่ยก็จะลักษณะนั้น <c oughs> ทุกเป็นพุทธันดรเนี่ยนะบางทีก็บอกว่า เปรทั้งหลายเนี่ยยืนอยู่ในทางสี่แพร่งบ้างสามแพร่งมั่งเห็นญาติเขากําลังทําบุญก็นึกกระยิมในใจเนี่ยนะว่าโหวันนี้เราจะได้กินญาติลืมญาติไม่ได้ทําอุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะกรรมของสัตว์นั่นแหละเป็นปัจจัยทําให้ญาติเนี่ยลืมเลยลองคิดดูนะเวลาเราทํากุศลแล้วอุทิศส่วนกุศลว่าอีทางโนยาตินังโหตัสุขิตาโหตัวญาตโยเนี่ยนะขอส่วนบุญเหล่านี้จงสําเร็จแก่ญาติขอให้ญาติทั้งหลายมีความสุขเนี่ยเราคิดถึงลักษณะนั้นกี่ครั้งเนี่ยนะ แล้วญาติของเราไม่เฉพาะชาติเดียวอย่างนึกภาษาฤาษีบทไหมภาษาริบุตนะ ร, รตนี่แม่ของท่านเมื่อหลายชาติก็เป็นเปรตมาขอส่วนบุญจากพระลูกชายอัน น, นให้พระพระเนี่ยเอาอาหารถวายสังฆทานแล้วก็ทําบุญวิธีส่วนบุญไปให้แม่ขนาดแม่ภาษาริบุตรเนี่ยยังเกิดเป็นเปรตเลยแม่เมื่อหลายชาติที่แล้วเพราะะฉนั้นพระองค์จึงจึงกล่าวกับพราหมณ์ท่านหนึ่งว่าไม่ต้องห่วงว่าเราทําบุญแล้วเปรตจะไม่ได้รับ เมื่ออุดขึ้ไปให้เพราะว่าญาติของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ชาติเดียวเห็นไหมไม่ใช่ญาติเฉพาะชาตินี้ญาติของชาติที่แล้วชาติที่แล้วชาติที่แล้วหลายหชาติเพราะนั้นเวลาเราทํากุศลส่วนหนึ่งหนึ่งก็หมั่นนึกถึงว่าพบเปรตที่เขากดอยากหยหิวเนี่ยนะเหมือนกับสำเนาที่เขาวาแดนน้องผู้หิวโหยเนี่แหละแดนญาติผู้หิวโหยเนี่ยเขาหิวจริงๆนะถ้าใครที่เคยอดอาหารมาเนี่ยจะรู้ดีในลักษณะนั้นเนี่ยหิวจริงๆเลย คนผ่าตัดเนี่ยอาจจะรู้ดีนะเวลาผ่าตัดแล้วเขาไม่ให้กินเนี่ยนะหรือว่าเ <Yes. S 1> จาะเลือดเป็นต้นเนี่ยน่นะสา ย, สายบางครั้งเนี่ยไม่ได้กินตั้งหลายให้วันเนี่ยโอ้ทรมานหน้าดุ้งกันเพราะฉะนั้นคนที่อดอยากหิวโหวยเนี่ยมีไม่ใช่น้อยๆเลยน ะ, ะดูดูในหลายแห่งเลยนะบางคนเนี่ยหาน้ําที่จะมาหยดให้คอมันชุ่มยังหาไม่ได้เลยะไม่ต้องให้มันได้กินอิ่มหรอกให้มันชุ่มหน่อยๆเนี่ยนะ แค่ว่าไม่ให้มันแห้งผากเลยยังยากเลยนะนสัตว์ที่อดอยากหิวโหยทุกทรมานเนี่ยอันคิดดูนะมดปลวกเป็นต้นมดเนี่ยนะถ้าเห็นน้ําผึ้งมันจะวิ่งเข้ามาหาเลยตัวเล็กนี่เดี๋ยวกว่าจะได้กินแต่ละเมื่อเนี่ยเลก็ไม่ใช่ของง่ายนักนะขนาดตัวเล็กน่าจะอาหารไม่ยากนะักแต่ก็ยังยากใช่ไหมอย่างพวกสัตว์ทั้งหลายแหลเนี่ยพวกปลาก็เหมือนกันถ้าเราดูชีวิตในปลาเนี่ยในในใต้นะ้ําไม่ได้มีอาหารอะไรเท่าไหร่ อ่าปลาตัวใหญ่ถ่ายมูดมาถ่ายอุจระมาไอตัวเล็กไปกินอุจระปลาตัวใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วมันชีวิตเป็นลักษณะนั้นนะอันอาหารแต่ละมือแต่ละมือของเขาเนี่ยถ้าเผลอไปกินเบ็ดเมื่อไหร่เสร็จอีกนะเดินกระเดากระเดาอีกนันกว่าจะเจริญเติบโตนั้นชีวิตในสังสารวัตไม่ใช่อยู่ง่ายๆหรือพวกสัตว์ในในในที่ต่างๆนะถ้าใครเคยดูไอพวกท่องโลกว้างท่องอะไรเนี่ยไอสัตว์ที่ที่บางพวกเนี่ยนะมัน พอพออีกรดูหนึ่งไม่มีน้ำกินเลยนะต้องพยพไปไกลแสนไกลกว่าจะมีน้ำกินเห็นไหมหนาวมากๆนกก็บิน อ, อพยพมาเมืองไทยเลยใช่ไหมเราเป็นอย่างนั้นทุกทรมานนะในในสังสารวัตรเนี่ยอันถ้าหากว่าเจตนาเหล่านั้นนั้นเราก็ยังมีอยู่เจตนาที่เป็นเหตุไปในลักษณะนั้นเราก็มีอยู่เมื่อมีอยู่เรานอนใจได้ไหมเ็เขาบอกว่ามัดจุ ย่อมฉุดคร่ามูสัตว์ผู้ประมาทมัวเลือกเก็บดอกไม้มาอยู่วังนั้นชมในการมาคุณห้าเพลินยังไม่ทานอิ่มเลยมัดจูคร่าไปแล้วเห็นไหมมัจจุราชก็จะเป็นในลักษณะนั้นเจ้าวิทูถะเนี่ยไปฆ่าสกยะเสร็จแล้วก็นอนฝั่งแม่น้ำนะนอนที่อื่นมันร้อนเนี่ยนอนปกหมกทรายเนี่ยนะทรายเย็นๆเอาผ้ามาปูแล้วก็นอนข้างแม่น้ำนั่นแหละสบาย ตกคืนนั้นเนี่ยนะข้างบนป่าเนี่ยมันตกฝนตกมากน้ําป่าเนี่ยบ่ามาท่วมตกน้ํำตายเปลี่ยนเลยขณะที่กําลังเพลินๆนั่นแหละเนี่ยนะเพราะฉนั้นอย่างอย่างซัยิ่งยิ่งตอนนี้ด้วยนะแผ่นดินไหวเนี่ยตึกถล่มนี่ก็ลักษณะนั้นนะเพะฉนั้นคนที่กําลังสนุกสนุกเนี่ยนะก็กําลังเพลินนั่นแหละตึกก็ถล่มมาครเพะนั้นชีวิตไม่มีความปลอดภัยแม้แต่นิดเดียว เมื่อความปลอดภัยน้อยเราก็ยังปล่อยความคิดจิตเหล่านี้อีกถ้าความคิดเหล่านี้เนี่ยนะถ้าจิตเศร้าหมองทุขติหวังไดนะ้ถ้าก่อนจะตายนะถ้าใจเศร้าหมองอย่างไรทุกขติแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะฉะนั้นถามว่าทุขติเหล่านั้นใครเป็นคนทำให้ความคิดเราทั้งนั้นเลยถ้าขณะนี้นั่งอยู่นะเราไม่สามารถเลือกให้จิตเป็นกุศลได้ใกล้จะตายก็ลักษณะนั้น ถ้าเราไม่สามารถฝึกได้นะถ้าไม่ไม่สามารถฝึกหาอารมณะปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดกุศลหรือในหนึ่งอารมณะปัจจัยเมื่อเกิดได้อารมณ์ปั๊บเนี่ยนะถ้าไม่สามารถสง่งเคราะห์คำสอนลงไปได้เนี่ยนะลบากเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในในทุกๆอารมณ์เนี่ยนะควรที่จะมีสตินึกถึงคำสอนพิจารณาในทุกๆอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในในในชีวิตของเราเนี่ยนะทุกๆอารมณ์เลย อารมณ์ดีไม่ดีก็ช่างนึกเมื่อไหร่ปั๊บนึกถึงคําสอนเลยคำสอนพูดถึงอารมณ์นี้อย่างไรเนี่ยนะคำสอนเนี่ยพูดถึงอารมณ์นี้อย่างไรคําสอนพูดถึงอารมณ์นี้อย่างไรนั่นแหละคือการแก้ปัญหาอย่างดีแล้ววิธีอื่นค่อนข้างยากมากในยุคนี้เนี่ยนะออกบวชก็แหนยากเหลือเกินเนี่ยมันวิธีอย่างอื่นไม่มีที่ที่เราพอช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างรัดมากก็คือศึกษาคําสอนด้วยการอ่านการฟังเป็นต้นเนี่ยนะให้ให้ให ให้คล่องเลยแล้วก็มันมาตรึกทุกๆอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องที่เราเข้าไปไปรับรู้เนี่ยนะไม่ควรประมาทนะท่าะความไม่ประมาทเนี่ยเป็นเป็นหัวใจของผู้ศาสนาจริงๆประมาทไม่ได้นะประมาทก็คือการปล่อยจิตเป็นไปกับอกุศลอกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ประมาทเมื่อ น, นั้นอกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ประมาทเมื่อ น, นั้นไม่มีเวลาใดที่สัตว์ไม่จุติ สัตว์เนี่ยจุติปฏิสนธิจุติปฏิสนธิตลอดเลยนะขณะเรานั่งฟังทำอยู่อย่างนี้เนี่ยนะแต่ละนาทีเนี่ยต้องมีมนุษย์จุติและปฏิสนธิอยู่เนี่ยนะมนุษย์ที่จุติและปฏิสนธิก็เป็นไปอยู่ลักษณะ น, นี้นะอีกคนหนึ่งกําลังร้องให้ระ ง, งมอีกคนหนึ่งดีใจเลยที่ได้ลูกเนี่ยก็สลับกันอยู่อย่างงี้หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอันถ้ามองภาพรวมจริงๆเนี่ยนะโลกไม่น่าอภิรมเท่าไหร่หรอกถ้าดูภาพรวมโดยองค์รวมแล้วนะ ยิ่งศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์แล้วไม่มีอะไรน่าสนุกสักอย่างเลยเ็นไเป็นชีวิตที่น่ากลัวมากนะถ้าหากว่าเราไม่ไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งกุศลจิตเราอ่อนกำลังเนี่ย น, นะไม่มีใครทำให้เราทุกข์หรอกเจตนาหรือความคิดอันนั้นแหละที่พาเราไปไปทุกข์เพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกจิตฝึกความคิดปุถุชนเนี่ย ที่ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตเพราะเขาไม่ได้ฝึกความคิดของเขาแต่พระอริยาสาวกผู้ที่อบรมความคิดอบรมจิตมาจนเสร็จแล้วฝึกจนถึงที่สุดแล้วก็ก็พ้นอับายได้แล้วเพราะอาบายเนี่ยอะไรเป็นเป็นตัวพาไปอาบายเพราะจิตก่อนจะตายเนี่ยนะก็ไปหน่วงเอาอารมอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าแล้วก็ปฏิสมทิทันทีแต่คนที่ฝึกความคิดได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะ ฝึกจนถึงกับว่าละบาปละกุศลได้หมดท่านก็ปรินิพานแต่ถ้าคนที่ฝึกอย่างดีระดับหนึ่งก็ไปสู่สุคติได้ใช่ไหมถ้าฝึกด้วยศรัทธาศีลสุตะจาระคปัญญาเป็นอย่างดีก็เลือกพบเกิดได้ถ้าฝึกด้วยพรหมิหารอย่างมั่นคงก็เป็นพรหมได้ฝึกด้วยฌานอย่างดีก็เกิดเป็นพรหมได้ฝึกด้วยอรูปฌานก็เป็นอรูประพรหมได้ก็อยู่ที่การฝึกเนี่ยนะ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้รับการฝึกในเรื่องของความคิด mm. กายกรรมวจีกรรมเลยนะไม่ได้รับการฝึกนี่แหละปุตุชนสมบูรณ์แบบเป็นลักษณะนั้นปุตุชนก็คือผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอะไรแนมะ้แต่อย่างเดียวเลยนะต่างจากอริยะตรงที่ผาอริยะได้รับการฝึกปุตุชนไม่ได้รับการฝึกเพราะฉะนั้นในหนึ่งอารมณ์เนี่ยนะต้องฝึกให้ได้อย่างคําสอนอย่างเราเรียนมาตั้งเยอะแล้วนะส่วนหนึ่งแล้อย่างน้อยที่สุดทุกคนก็จะรู้เรื่องกรรมบุนี่นะ ในหนึ่งอารมณ์นี่ร่วงกรรมบดได้ไหมต้องหมั่นเอามาตรึกแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆแล้วก็จะเริ่มตื่นภัยขึ้นถ้าพูดถึงกรรมบทปั๊บเรื่องกรรมสิบสองจะเข้ามาแล้วกรรมนี้เป็นครุกรรมไหมเป็นอาจินนกรรมไหมอารมณ์นี้เป็นอสัญน์เป็นอารมณะปัจจัยของอสันนกรรมได้ไหมแล้วอารมณ์อันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวเนื่องกับกตัตาวาปนกรรมไหมอย่างเงี้ยก็จะเข้ามาแล้วนี่ถ้าเกี่ยวข้องกับอารมณ์นี้เป็นครุกรรมนะกรรมหนักหรือเปล่าหรือเป็น กรรมชนิดใดกรรมอันี้เจตนาดวงที่หนึ่งเป็นที่จรทำดวงที่7เป็นอุปชาดวงที่สองถึงดวงที่6เป็นอปราปริยะเวทนิยกรรมกรรมอันี้ให้ผลนําเกิดได้ไหมชนะกรรมไหมถ้าถ้านําเกิดแล้วจะมีอุปธรมภักกรรมไหมหรืออะไรไปเป็นอุปปีและกรรมหรืออะไรจะไปเป็นอุปคาตกรรมนะต้องเอาเรื่องกรรมมาตรึกในเจตนาทุกๆเจตนานะในในอารมณ์ในความคิดทั้งหลายใน เจตนาของเราก็ここเอาเรื่องกรรมสิบสองมาใส่มาสงเคราะห์ลงสงเคราะห์ลงก็จะมองเห็นความเป็นไปของสังสารวัตรเมื่อเห็นความเป็นไปอย่างนี้เราจึงบอกว่าโหเผลอไม่ได้นะัเนี่ยนะเผลอลาบากแนะ่พูดถึงว่าเราเราฝึกได้นี่นะฝึกได้แ น, น่นอนนะแล้วก็ควรจะเริ่มฝึกแล้วด้วยนะใน หกุศลก็มบทสิบเนี่นะครับท่านลองฝึกดูนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเจอเจอเจอใครสักคนหรืสิ่งที่มีชีวิตก่อนนะเออหนึ่งนะในสิบอย่างในหนึ่งนะเราเราปฏิทุสลายเได้ไหมนะถ้าคนรู้จักเนี่ยเราเคยปฏิทุสลายไหมเราเราจะปฏิทุลยจริงจริงเนี่ยได้ไหมนี่เราร่วกไปแล้วนะเราเอ่า นี่นี่ทางกายกรรมใช่ไหมพอกายกรรมแล้วก็ <c oughs> มีอะไรบ้างะครับกายกรรมมั่งรักทรัพย์รักได้ไหมนะหรือว่าเราจะล่วงเกินเข้าได้ไหมถ้าเป็นเพศตรงข้ามนะฮะหรือถ้าเกิดคนคนนี้เนี่ยเราเคยพลุสวาจาไหมถ้าไม่เคยเราจะพลุสวาจาได้ไหมได้หรือว่าเราพูดเท็จไหมโกหกไหมยิ่งคนรู้จักนี่เราเอ้ยเราเคยพูดเท็จไหม สัมผับปราปะเราเคยพูดไม่เป็นเรื่องเวลาไม่ล้อเล่นนี้นะพอมาถึงมโนกรรมนี่นะครับอภิชากับโทมาัะใช่ไหมครับอภิชากับโทมานะนี่นะฮะ <c oughs> ถ้าอภิชาเนี่ยหมายความว่าเพ่งเลงในในทรัพย์สินสิ่งของเขาหรือไม่ใช่ไหมครับเพื่อมาเป็นของเรานี้ใช่ไหมฮะถ้ามีนั่นก็หมายความว่าอภิชาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่เหรครับถ้าเกิด หน้าตาเขาดีเกิดชอบเขาอย่างเงี้ยเป็นอภิชาเปล่ากันก็เป็นอภิชาแต่ว่าไม่ครบอมคปลว่าไม่ไม่ครบกรมบรมบดแต่ก็น้อมมาเออมื่อไรจะมาเป็นภรรยาเราอย่างเงี้ยขณะนั้นก็จิตขนาดนั้นก็เป็นอกุศลไปเป็นอภิชาไม่ใช่ไหมเป็นอภิชาแต่ถ้าจุติขณะนั้นแปลบายได้แล้วก็พยาปาทะนะฮะแล้วคุณเคืองเขาได้ไหมเราเคยคุณเคืองไหมนะ ถ้าคนรู้จักกันเนี่นะเป็นอารมณ์ได้ยิ่งยิ่งเห็นชัดเลยว่า<ช>เราสงเคราะห์ไปได้หมดเลย แ, ลแตอ่อีกในาย่าหนึ่งในการคิดเรื่องกรรมบกเนี่ยนะอย่าเอามองภายในอย่างเดียวเนะี่ยมองว่าในอา ร, รัมมณปัจจัยสิ่งเดียวเนี่ยนะคนอื่นเขาเข้าทํายกตัวอย่างเช่นในเจอหนึ่งอา ร, รัมมณปัจจัยเราไม่ทําปาณาติบาตแต่อีกคนทำครับก็ถ้าสมมติว่าถ้าเราถ้าเราพิจารณาว่าปัททุสลายได้ไหม เราก็ต้องรู้เฮ้ยถ้าปทุสลายนี่นะเราโทษนะเรามีโทษอย่างนี้ใช่ไหมครับเจนพาถ้าเราเกิดล่วงกรรมบดไดกรรมบลหนึ่งนี่นี่นะนี่อกุศลนะอกุศลกรรมนะให้ผลแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ควรจะตึกคิดเรื่องตรงข้ามคือเป็นกุศลกรรมบดสิทธิ์ใช่ไหมครับเจนพาคือนอกจากที่จะไม่ปุถุสลายเขาแล้วเนี่ยเราเคยช่วยเหลือเขาไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเคยช่วยเหลือเขาไหมเคยพูดกับเขาแบบ พูดความจริงกับเขาใช่ไหมหรือว่าพูดเขาประสานกันให้เขาดีกันอนี้ใช่ไหมครับห <จน S 1> มายว่ า, วาตึกในฝ่ายดีด้วยใช่ไหมครับใ น, ในเรื่องการตรึกกรรมบดเนี่ยนะตรึกฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเสร็จแล้วทั้งภายในและภายนอกอทั้งภายในภายนอก<จ>นก็มหมายความว่าเราไปทํางันได้ไหมหรือเขาทําอย่างนั้นได้ไหม <จน S 1> ก็ได้<า>ใช่ไหมครับและถ้าคนอื่นๆมาทํากับคนนี้ไหมยกตัวอย่างเช่นนายบุคคลคนนี้เราไม่มุสาวาท แต่บุคคลนี้เป็นอารมณปัจจัยให้มุสาวาทเกิดได้ไหมใช่ไหมเราก็เอาหนึ่งอารมณ์มาเนี่ยนะว่าบุคคลนี้เนี่ยเป็นอารมณปัจจัยของปาณาติบาตของอีกหลายคนคนคนนี้เนี่ยเป็นอารมณปัจจัยของการลักพาตัวของอีกหลายคนอารมณ์อันนี้เป็นที่ผิดกาเมของอีกหลายคน <oli it. S 2> แล้วก็ในอารมณ์อันนี้เป็นที่ให้คนหลายคนมามุสาวาทและก็เป็นอารมณ์ปัจจัยให้คนมาพุทวาจา เป็นต้นเนี่ยนะก็มองในลักษณะนี้ด้วยทั้นมองทั้งภายในและภ า, ภายนอกถ้าตึกอย่างนี้นะครับเราก็จะมีเฮริมีอดตปะมากขึ้นนะผมเชื่อว่ามีเฮรมิมีอดตปามากขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องของสัตว์ใช่ไหมครับเป็นอารมณ์ตอนนี้สังขารบังนะครับแว่นตานี้นะถ้าเห็นแว่นตานี้แล้วเนี่ยจะไม่ร่วมไปกรรมบทอะไรได้บ้าง ก็ตึกไปได้อีกเยอะแยะใช่ไเราไม่ทําคนอื่นทําก็ได้ใช่ไหมครับหรือเอาเอาสมมติเอาเรื่องแบบลงมาอีกเรื่องทานอย่างเงี้ยอาศัยอันนี้เนี่ยทำให้หลายท่านมีมัชระยะอาศัยอันนี้ทําให้อีกคนให้ทานนะมองในในในเอาทานนกุศลก็ได้หรือเอาบุญยกิริยาวัตถุศิษเข้ามาสงเคราะห์ใช่ไหมครับ จะเป็นทานเป็นศีลจะเป็นภาวนาอะไรน่ะทั้งทั้งสิบนั่นเลยใช่ไหมครับออรก็เอามาส่งครอดได้ใช่่ะดงนั้นการฝึกอย่างนี้ถามว่าเข้ากับสูตรใ ด, ดนะข้อความในธรรมสังคขนีเลยนะก็บอกว่ากามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชนิดร่ะงั้นก็คือกามาวจรกุศลจิตที่เป็นโสมณัสประกอบด้วยยานเนี่ยนะโสมณัสสากตังญานสัมปยุตตังเนี่ยนะ รูปารมณังวะกุศล จ, จิตเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่มีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงมีเกลื่นมีรสมีโพธะมีธรรมะเป็นอารมณ์นะเป็นไปกับบุญญกิริยาวัตถุสิบก็เอาบุญกิริยาวัตถุสิบสงเคราะห์ลงมาเพราะคนที่รู้เรื่องบุญญากิริยาวัตถุสิบจะต้องมองฝ่ายดําและฝ่ายขาวออกทั้งคู่นะมองเห็นโทษของการให้และไม่ให้มองเห็นโทษของมัชชริยะและก็ในขณะเดียวกันที่เขามีศีลเพราะเขารู้ว่า สีเนี่ยเมื่อบุคคลไม่รักษามีโทษยังไงถ้ารักษาแล้วมีคุณอย่างไรอ่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงยกตัวอย่างคนที่ทำชั่วมาเป็นอุทาหรณ์เนี่ยนะเพื่อให้เรามองเห็นว่าในอารมมณปัจจัยนั้นถ้าเราไม่ศึกษาเนีย่ยนะไม่มีศึกษาสามอย่างลงในอารมณ์นั้นๆเราก็ล่วงละเมิดแบบนั้นได้เนีย่ยนะเราก็จะได้สังวรมากขึ้นอกุศลจิตที่สังวรสารวมอันนี้นี่แหละจะเป็นพื้นฐานแห่งการอบรมเรื่องวิปัสสนาเป็นต้น ถ้ากุศลจิตอันนี้เราอ่อนเราจะรักษาสมถะไม่ได้ถ้ากุศลจิตเหล่านี้อ่อนไม่สามารถที่จะรักษาวิปัสสนาได้จเจริญไปจเจริญไหมจเจริญทําอะไรวิปัสสนาเออขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคิดไปคิดมาเ อ, อเอาไว้ก่อนนี่ก่านใช่ไหมว่าเพราะมันมันไม่รู้จะเจริญทําอะไรเพราะถ้าเรามีฮิริโอตาปะมากๆในแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์ก็ทําให้เห็นภายในสังสารวัตรว่าโอ้โหทุกๆอารมณ์เนี่ย ถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้บาปเนี่ยแล้วคนที่เขาทําบาปให้เราเห็นเ น, นี่ก็มีมากมายยกตัวอย่างเหมือนเครื่องเพชรใช่ไหมอีกคนหนึ่งเห็นและอีกคนหนึ่งจะทํามาทินานาทานและอาศัยเพชรเมร็ดเดียวนั่นแหละให้คนทําปานาติบาตมากมายและ อ, อาศัยเพชรเมร็ดนั้นเนี่ยคนผิดกาเมีสุมิชฌาจารมุตสา ว, วาทพุทธวจารสำผาปลาปะโสเศษเนี่ยเข้ามาหมดเลยนะบางคนก็ถึงกับเกิดอาศัยสิ่งนั้นทําให้เกิดอภิชฌาทําให้เกิดพยาบาทและหลายคนเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะ เพราะอาศัยสิ่งนั้นเป็นอุปนิสัยให้ครับนี่ครับความจริงเราเรียนกับท่านอาจารย์สมบัตินะอย่างน้อยที่สุดนะไอสิ่งที่อย่างเนี้ยมันเป็นการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะเป็นไปในเรื่องของศีลแต่ก่อนนี้ผมก็กสงสัยว่าศีลสิกขาเนี่ยศีลสิกขาเนี่ ย, ยคือยอย่างไรอย่างนี้ล่ะคือศีลสิกขาเรียกว่าสิกขาเพราะว่าคําความหมายของสิก ข, ขานั้นนะแปลว่าอะไรหนึ่ง พิจารณาสังเกตสมาทานเข้าไปรับมาปฏิบัติปฏิบัตินะตั้งใจอธิษฐานจิตนี่นะคือความหมายของของอศีขาทั้งนั้นไปรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้นะว่าถึงอริยสัจไปเลยนะที่ควรละควรแจ้งควรจเจริญเนี่ยนะอันนั้นสูงไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นคำว่าสิกขานี่นะในเรื่องศีลเนี่ยถ้าทําปฏิบัติอย่างนี้นี่นะท่านมีศีลและสิกขาแล้วนะแล้วยังมีอีกจํานวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจคําว่าศีลสิกขาคือเพียงจะเข้าใจว่าไปรับศีลห้าศีลแปดไปสมาทานไปรับกับพระมาแล้วนั่นแหละมีแล้วมีแต่ว่าน้อยน้อยจังเลยขณะที่ตั้งใจแค่นั้นเองเลิกจากนั้นอ่ะเอางี้นะไปสมาทานรักษาศีลนะสมมติเอาพระเนี่ยบวชเข้ามาแล้วเนี่ยมีศีลตลอดไหม ไม่ตลอดแล้วครับถ้าถ้าตลอดหมดนะจะไม่มีพระตกนรกเลยใช่ไหมก็แสดงว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถมีตลอดได้ใช่ไหมตัวอย่างพระที่ไปอบายก็ไม่ใช่น้อ ย, อยเลยไปอ่านนะในลักษณะสังยุทธ์อะลักษณะสังยุทธเนี่ยสังยุตตานิกายหรือว่าในอวินีตวัตถุกในจตุถะปาราชิกเนี่ยนะที่พระลักขณะไปเห็นเปรตอะเปรตพระเปรตภิกษุเปรตภิกษุณีเปรตสมมาเนเปรตสมสมาเรีทั้งนั้นแหละ แล้ยังนึกๆทุกวันเนี่ยยังไงยังไงศาสนาพระศิอามยังได้มีเปรตพระสมบัติในนในนั้นยังงแย่แน่น่ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าปัจจัยที่จะเป็นเหตุให้อากุศลจิตเกิดมีอยู่เมื่ออากุศลเนี่ยนะเหมือนเสียงเนี่ยพอได้ปัจจัยเสียงก็เกิดโทสะถ้าได้ปัจจัยโทสะก็เกิดโลภะถ้าได้ปัจจัยโลภะก็เกิดโมหะถ้าได้ปัจจัยก็เกิดเพราะฉะนั้นจึงประมาทไม่ได้เลยในความคิดของเราเนี่ยแหะ หันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้ก็คือจิตถ้าตั้งไว้ผิดมีโทษมากกว่าศัตรูถ้าตั้งไว้ถูกมีคุณมากกว่าแม่ครับก็วันนี้ก็ได้ประโยชน์มากเลยครับแต่อย่าลืมนะศีลจะบริสุทธิ์ได้ถ้าท่านต้องมีอินทรสังวรนะอย่าลืมนะเอาเอาเอาเขามีใครมีก่อนแล้วกันนะ <c oughs> สุดนหมดครับ